นะอย่างเช่นความสุขเนี่ยแลนะมันผ่านไปแล้วปีที่แล้วเดือนที่แล้ววันที่แล้วเมื่อวานนี้แต่วันนี้มานึกคิดขึ้นมาเออมันก็ปุ่มขึ้นมาใหม่นะเรียกว่าซ่าของความสุขนะมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ่อกลไกลของจิตเนี่ยโอ้มันแนบเนียนมากนะแล้วก็ทําไปบางทีนะก็จะสัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นความปิตินะ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 ปอดโปร่งโล่งสว่างสวัยบ้างเราดูอยู่ข้างนอกเราก็จะอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เนาะในใจเรามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนธรรมชาติเลยมันสะท้อนออกมาแล้วบางครั้งก็อึดอัดบางครั้งก็ปอดโปร่งนะเราก็ดูมันเราก็รู้มันเราไม่ได้เข้าไปในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนท่านพูดไว้เป็นผู้ดูอย่าไปเป็นผู้เป็นก็คือมันอึดอัดก็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 เขาไม่ก็มีเรื่องคิดอะไรมากเขาจะมีนิสัยที่ร่าเริงแจ่มใสนมีความเป็นปกตินอันนี้เป็นเป็นเป็นสภาพปกติที่เรามีอยู่ทุกคนแต่พอเราโตขึ้นเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นนบางทีเราก็หลงลืมสภาพปกตินี้ไปเราก็ไปหลงไหลในความสุขอยากให้มันมีความสุขมากมาะ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 เราก็ช่วยช่วยกิจกรรมต่างๆนะ่เป็นสิ่งที่เออเอื้อเฟื้อนะเพราะว่าถ้าเราเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เนี่ยการอยู่ในสังคมก็อาจจะเ อ, อ่อเป็นภาระกับคนอื่นนะก็ถือว่าต้องช่วยเหลือกันนะก็เพียงแต่ว่าเ อ, อ่อจัดความพอเหมาะพอดีนะก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ไปมุ่งนะที่จะทําทงานภายนอกนะซะจนลืม